ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23มิถุนายน2556มีชื่อเรื่องว่าพระเมาเล่าวันนี้เป็นวันที่23า มิุนายนพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำเดือน7นับแต่วันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเป็นวันเข้าพรรษาแลม หนึ่งค่ำของเดือน8อันนี้เป็นเดือนเพ็ดเพนขอให้พวกเราทุกท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นก็ให้เป็นการเตรียมพร้อมพร้อมที่จะเข้าพรรษาไม่ ใ, ใช่ว่าเราพรรษาผ่านไปก็ผ่านไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้คิดลวงนาไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นการเตือน พวกเราท่านทั้งหลายเรวพร้อมกันผู้ที่ยังไม่เคยเข้าพรรษาก็ให้เตรียมคำอธิษฐานพรรษาไว้ทีนี้จุนจวนบวชผมก็จะเตือนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะมีพระนว ก, กะที่จะบวชปีนี้ก็เราคงจะรับพระนว ก, กะวันที่6วันที่6รกชดา จะรับนาคพร้อมกันทั้งหมดและก็วันที่14ตรงกับวันอาทิตย์กรกฎาก็เป็นวันบวชพระนวักกะพร้อมกันและก็วันที่23กรกฎาเป็นวันเข้าพรรษาปี2556ับแต่วันนี้เป็นวันอุโบโสถที่พวกเรา หลงอุโบสถทบทวนสินและวินัยการที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านประกาศพระศาสนาเมื่อท่านได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหเพนจากท่านพระองค์ท่านก็ประกาศพระศาสนาจากนั้นพระสงฆ์ ผู้ที่เคารพนับถือเรื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพธธุทธเจา้าก็ได้แสดงตนออกทรงบวชในศาสนาของพระพธธุทธเจา้าจากนั้นพระสงฆ์ผู้ที่เข้ามาบวชก็มีทวีโคลนขึ้นเรื่อยๆต่อมาก็มีพิกษุนีคือนักบวชฝ่ายผู้หญิงด้วยแล้วก็มีสัมภเนน สมมาเนนสมมาเนรีสมมาเนรีก็คือบวชทางฝ่ายผู้หญิงศิกขมานากระบวชทางฝ่ายผู้หญิงคือเตรียมพร้อมที่จะบวชเป็นภิกษุณีศิกขมานาสมมาเนรีสัมมาเนรีก็คือสัมมาเนนที่จะเตรียมเป็นศิกขมานาและก็เป็นภิกษุณีแต่ฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยก็วงไหนพอที่ครบปวดอายุ20 ก็ให้บวชเป็นพระถ้ายังไม่ครบ20ก็ให้เป็นสมณเณรไปก่อนสำหรับครวาดญาติโยมก็มีหลายระดับก็เป็นฆรวาดบางคนก็ยังไม่ถึงนับถือเลื่อมใสก็เป็นสามัญชนทั่วๆไปก่อนเพราะไม่เชื่อความไม่เชื่อ อยู่ในจิตใจผู้ที่เชื่อในพระธรรมคําสอนก็ยึดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งจิตพระไตรสาระคมเป็นที่พึ่งถ้ามากกว่านั้นก็เป็นผู้มีศีลห้าถ้าว่าผู้มีอุตสาหะวิริยะเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะขัดเกาวกิกิเลสที่ให้แกร่งขัดขึ้นไปอีก ก็รักษาศีลอุโบสถอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ถ้าเป็นเด็กอย่างไม่ได้บวชทำยังไงถ้าบวชเข้ามาจะรับอยู่ในสถานะไหนถ้าครบ20แล้วจะอยู่ในสถานะไหนทางฝ่ายโยม ก็เหมือนกันยมอุบาสกก็เหมือนกันวาอุบาสิกาก็เหมือนกันให้เข้าไาอยู่ในกรอบกรอบของใครของเราตีกรอบไว้ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ได้ปวดก็เป็นอุบาสกกุบาสิกายิฐพัตรัยชรณคมเป็นที่พึ่งจากนั้นก็มีศีลห้าแล้วก็มีศีลอุโบสถ แล้วก็ภาวนาทานศีลภาวนาอันนี้คือกฎสำหรับกติกาสำหรับให้คณะสัตยาติยมแต่สำหรับพระภิกษุภิกษุณีสมมาเนสมมนเนรีศิคขามานาผู้เข้ามาบวชอันนี้ก็วางกฎไว้อีกแต่ละแนวทาง แ, แต่ละกลุ่มอีกเหมือนกันภิกษุณี ศีลมากกว่าเพื่อน300กว่าภิกษุ227ยสิเมมเนิสและศิกขมานาสัมมาเณรีเนี่ยผมจำไม่ได้สอ ง, สองท่านแต่คือคือเป็นลูกศิษย์ของฝ่ายภิกษุณีแต่ทำไมภิกษุณีจึงมีอาบัตจึงมีศีลมากกว่า ภิกษุแต่พวกเราจะถามภิกษุณีคําว่าศีลคำนี้นะ่ะคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติทีเดียวไม่ใช่คือมีผู้กระทําผิดซะก่อนทามีผู้กระทําผิดพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยถ้ามไม่มียังไม่มียังไม่บัญญัติแต่ก็เป็นอนว่าภิกษุณี ทำผิดวินัยมากกว่ามากกว่าพระภิกษุเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมันหยัดศีลให้ภิกษุณีมากกว่าภิกษุภิกษุศีลในพระปฏิโมกอย่างพวกเราสวดจบลงสักครู่นี้อันนี้คือศีลส2งิแต่ภิกษุณีศีลสามร้อยแต่ศีลอภิสมาจาร์มากกว่าะ ศีลปิสมาจารย์คล้ายๆกับว่าเป็นศีล น, นอกพระปฏิโมกแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติเหมือนกันเพราะนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานท่านก็บอกว่าบัญญัติวินัยไว้มากเกินไปหรือเปล่าเกินความจําเป็นหรือเปล่าท่านจึงบอกว่าดูก่อนอานน์หรือสง์ทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้ววินัยที่เราบัญญัติวไว้ ยุ่มหยิมเกินไปมากเกินไปคล้ายๆกับว่าให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาดูจะถอดถอนออกหรือจะยกเลิกก็ได้นะคือบางสิขาบทในครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงระชนอยู่พระองค์ก็บัญญัติออกไปแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์ซับซ้อนเข้ามาพระองค์ก็บัญญัติ ใครข้าถอดถอนที่บัญญัติไว้ก่อนยกเลิอกอย่างนี้ก็มีถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ายกเลิกในวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วแล้วมีอย่างนี้นก็มีหลายสิกขาบทเพราะอะไรเพราะความดูกาลเทศะการสถานที่บุคคลแต่ในช่วงบัญญัติก่อนใช่ภิกษุมันลักษณะอย่างนั้นแต่พอบัญญัติไปแล้ว ผลเสียที่จะตามมาอีกจะพระสงฆ์ขาดโอกาสแล้วขาดที่จะได้รับความสะดวกสบายหรือสับปายะสหรับปฏิบัติกีดกันจนเกินไปพระพุทธเจ้าก็ยกเลิกจุดนั้น อ, อไปก่อนนี่แหละถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่อย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยแต่ได้สักาบทบัญญัติอย่างไรน ผมจะยกตัวอย่างให้ให้เห็น เ, เป็นแนวทางดูเฉาเป็นแนวเพื่อการศึกษาพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยท่านยกตัวอย่างสิกขาบทหนึ่งสิกขาบทนี้คือพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าปรินิพานาพระพุทธเจ้าไดา้ประกาศภาษาศาสนาได้ ตัดรู้ที่โคลนต้นโพแล้วรับประกาศพระศาสนาพระสงฆ์ก็เยอะขึ้นมาแล้วท่านเองก็บัญญัติเป็นซิกขาบทสิกขาบทาขึ้นมาพอสมควรแต่ก็มีมีผู้กระทําผิดพระ อ, องค์ก็บัญญัติมีผู้กระทําผิดที่มามีคนมาร้องเรียนก็กระทําผิดแล้วก็บัญญัติบัญญัติพี่ในแต่ ข้ามบทนี้คือพิกษุดื่มดื่มน้ำเมาพิกษุดื่มน้ำเมาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยก็คือพบพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านพร้อมกับพระสงฆ์จะไปกรุงโกสัมพีในพระวินัยบอกไว้นะจะเดินทางไปสู่กรุง กุงโกสัมพีจากนั้นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เดินเสด็จตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จและพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปติดตามพระพุทธองค์พอเดินไปพี่น้องประชาชนทั้งหลายเขาเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ไปสู่ท่าน้ำคงจะเข้าข้ามท่าน้ำเป็นหมู่บ้านหนึ่งตรงนั้นเป็นเป็นที่ บาเพ็ญของฤาษีฤาษีสมัยนะะ่ะคือมีนักปวดนอกศาสนามีมากอย่างพระรู้เวลานาทีกษัตะปะสามพี่น้องเนี่ยที่กรุงราชคือถ้าท่านไปตั้งอาสมอยู่ในริมแม่น้ำถ้าผู้ใดโกรธโมโหขึ้นมา คือให้ไปหิ้วทรายขึ้นมามากองไว้ให้เป็นขึ้นไปกองทรายแหมเกิดเกิดราคะโทสะขึ้นมาก็าไปขนกองทรายขึ้นมาหลวงพ่อว่าเออก็ถูกเป็นวิธีการสอนอีกแบบหนึ่ง เ, เพระ อ, อะไรเพราะมีเกิดอารมณ์โทสะขึ้นมาเนี่ยนะก็ไปตักทรายขึ้นมาเอามากองไว้ มันก็สักสองสามเที่ยวจนมันเหนื่อยแห ก, กความโกรธมันก็หายไปแล้วอนะ่ะอย่างนั้นก็คือวิธีการของท่านอุรุเวลานาทีกจัจปะสามพี่น้องคือวิธีหนึ่งที่ท่านสอนลูกศิษย์ของท่านแต่นี่นพอกองขึ้นมาเนะี่ยกองสายมันก็ใหญ่เลยสิพระทั้งห้าร้อยกับหนึ่งกับอาจารย์นะ กลุ่มหนึ่งก็300กับ1กับอาจารย์น่กลุ่มกนึ่งอีกงอหนึ่งกับอาจารย์ น, สยนาาย่สรุปแล้วก็คือพันกับ3รูปที่ว่ารูเวลานาทีกัจปะขยากัจจปะอันนี้ก็คือเป็นลืสีก็มีดาดเดินมากในยุคสมัยนั้นแต่นีนพระพุทธองค์จะเสด็จไปในท่าน้ำก็เหมือนกับอาสมของ อุลุเวลานาทีกับสป่นี่ยนะแต่ไม่ใช่กลุ่มของท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านไปจุดนั้นพี่น้องประชาชนทั้งชาวไร่ชาวนาทั้งคนอยู่ในระแวกนั้นโอ้พระพุทธองค์จะเสด็จไปในท่าน้ํานั้นเลยเพราะมีพญานาคดุร้ายมากเคยฆ่าคนเคยทำร้ายทําลายคนมามากต่อมากแล้ว พระองค์อย่าได้เสด็จไปตรงนั้นเลยใครใครเห็นเขากร า, าบทูลพระพุทธเจา้าเป็นระยะระยะแต่พระพุทธองค์ก็ทำเฉยเหมือนกับหูท ว, วนลมไม่ได้ยินอย่างนั้นแหละท่านก็เสด็จไปเรื่อยพอไปถึงอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆขนนั้ท่านก็เสด็จประทับท่นนี้มีพระลูกศิษย์องค์หนึ่งชื่อพระสาคตะ ภาษาคาตาเป็นยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระหันแต่เป็นผู้ได้โลกีโลกียะฌานคล้ายๆกับเพ่งเตโชวายโยได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะยังไม่หมดแต่เป็นผู้ชำนาญในการใช้ฌานแต่นี้เมื่อพระพุทธองค์เฉดตประทับอยู่ในกลุ่มหนึ่งท่านสากตานก่ ไปคงจะไปคิดลองวิชาตัวเองกัมั้งท่านก็ไปก็ไปหาพวกฤๅษีผู้ฤษีก็จัดที่ให้พักท่านก็ปูอาสนะปูอาสนะเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นนั่งนั่งอาสนะของท่านนั่งขัดสมาธิทํากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าท่านก็นั่งภาวนาแต่พญานาคที่อยู่กองทรายนี่ย อยู่ในบริเวณนหะนเห็นพระสาคตะขึ้นมาขวางตาพญนะานาคนะค่อยๆเห็นแล้วมันคล้ายๆกับเหมือนกับอะไร เ, เหมือนกับคนที่อยู่ในลักษณะแนวเดียวกันนะมันขวางกันยากหนา ก, กว่าหนากมีฤทธิ์กว่าพระสรรมณกคงนีน้มันคงจะมาแย่งสถานที่เรากระมังนะนี่แหละหน้าเขาคิดแล้ว เ, เพ่ง พ่นออกมาเนี่ยพ่นพิษเหมือนกับ ง, งูเหมือนกับงูเห่าพ่นพิษ อ, อย่างนั้นนะงูจงอางพ่นพิษอย่างนั้นนะภาษาคาตาเนี่ท่านก็มีอิทธิฤทธิ์ท่านก็จ้องอยู่แล้วน่ท่านก็พ่นพิษของท่านอีกกบพิษพญานาคอีกพญานาคหมดฤทธิ์นี่ต่อมาเพ่งไฟออกม า, น า, ก า, าเนี่ยภาษาคตานี่ก็ใช้โลกิยะเพ่งไฟเขาไปประกบหนักนจนนากตอนนั้นยอม สลภาพภาษาคาถากรเลสอนหนกักให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาใช่ให้ยึดพระไตรยสารณคมและใครมีศีลห้าอีกต่างหากอยากหนัทตอนนั้นก็ยอมรับยอมรับไปว่าภาษาคาถาเนี่กิดปาบนาคได้ราบคาบได้ลุกซิตหนาคอีกต่างหากนีจากนั้นพระพุทธมะเกจากนั้นสาคาถ า, าเลยไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็อืมท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแปลวาอือก็ดีฮะจากนั้นก็เดินพร้อมเดินทางพร้อมกับพระสงฆ์ไปเมืองโกสัมพีฮะพอไปถึงเมืองโกสัมพีศรัทธาญาติโยมเขารู้กิติศัพท์นะเพราะมัอยู่ในละแวกนั้นฮะเพราะว่ามีพระลุกสิษย์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งสมณะโกรมองค์หนึ่งปราบพญานาคอยู่หมดัดฮะองค์จะลักษณะอย่างนั้นะเขาทั้งหลาย เดือมใสนับถือองค์ไหนเขาก็บอกเนี่ยภาษากตะนี่แหละนะแต่นี้ก็ภาษากตะเป็นบินถบาทเขาก็ถามว่าพะพูดเป็นเจ้าต้องการอะไรอยากจะให้ผมถวายมีอะไรไหมที่จะให้ผมช่วย ถ, ถวายมีไหมผมขอประวรณาแต่นี้พวก พ, พระสัพพวคีเนี่ยนะพวกหกนี่สัพพวคนะีพวกหวกนี่พวกนี้ออกนอกลูก่นอกทางอยู่แล้วแ่เนี แป้ว่าทําศึกข้าโบทในในพระวินัยของพระพุทธเจ้าหนี่มากที่สุดเลยผวกสัพพวคีนฉลาดนะแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติศิกขาบสนี้ยยุตไม่ทําแต่ไปทําอังอื่นอกีกพอพระพุทธเจ้าบัญญัติตอยุตไม่ทําไปทําอัน เ, เ, เนินอีกแปลว่าเป็นผู้ก่อ ก, กวนนะท่านนี้เนี่ยพระสัพพวคีนเนี่นอบอกให้คณะสัตยา ญ, ญาติโจมเขาแต่เน ญาติโยมนี่ยนะพระผู้เป็นเจ้าสากตะเนี่ยท่านไปต้องการอะไรหรอกตองการสุราที่น้าําใสสีแดงเหมือนเท้านกพิราบนั่นแหละเป็นที่ต้องการเอามาเลยฮหพวกญาติโยมทั้งหลายเขาก็โอ้พระผู้เจ้าต้องการสุราเลยก็กสันมหามาให้ถวายจากนั้นภาษาตะกาก่อนไปบิดทบาทพอปินทบาต บ้านนั่นเขาก็ถวายสาขาตาก็เดิมฉลองฉลองศรัทธาเขาไปอีกบ้านหนึ่งกลุ่มนั้นเขาก็ถวายสุราอีกสีแดงเหมือนเท้านกพิราบสุราใสไปก็ไม่รู้กี่แก้วกี่จอกแล้วไงพอเสร็จแล้วบาทเป็นข้างหนึ่ง จีวอนไปข้างหนึ่งนอนแผ่สองสะดึงเลยเถอนี่ยอนนี้พ่อพุทธเจ้าจะเด็ดเข้าไปในเมืองปิบินาบาทในกรุงโกสัมพีพอกลับมามาเห็นภาษากตะอนอนสองแผ่สองสะดึงหมดสติพ่อเมาสุราย่างมากาพระที่เป็นนายหน้านะครับคงจะหลบหลบลีกหลีกห น, นีไปแล้วเถอะ พระพุทธองค์ก็ถามว่าเป็นไงพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าสากตะเมาเล่าเมาสุราแต่นั้นเขาก็เลยเอาผ้ามาคล้องให้เสร็จแล้วก็เอามาันเอามาหันศีรษะมาทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยืนอยู่พระพุทธองค์ก็ถามว่าทําไมพระสักตะเมาสุราพระเจ้าขา่าแต่ก่อนพระสักตะเนี่สู้กับพญานาคชนะพญานาคใช่ไหม ใช่พระเจ้าค่าชนากสนะมาโจกๆนี่แหละมาศรัทธายาธิโยมก็เห็นว่าเป็นผู้เก่งเขาก็เลยถวายสุราแต่ขณะนี้แหละสาัคตะเนี่ย น, นอนอยู่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอาไปสู้กับงูเออเอาไปสู้กับงูเลือนเน่ยคืองูเขียวตุกแกอย่างงั้นน่ะจะสู้งูเขียวตุกแกได้ไหมลักษณะอย่างงั้นน่ะพระสงฆ์บอไม่ได้พระเจ้าข่า ไปสู้ก็อะไรก็สู้ไม่ได้แลยแต่นี้หมดสติหมดแล้วไปให้พวกท่านทั้งหลายเอาไปเอาไปออกไปนอกไปสํานักพอไปถึงสํานักพระองค์ก็นี่ยแหละไปบอกกับภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายดื่มสุรายอย่างนี้ขาดสติอย่างนี้แล้วนะ่นมันไม่ดี การดื่มสุราขาดสติไม่เป็นผลดีสำหรับส ม, มณะนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามอยู่ในสถานที่ใดก็ตามดื่มสุราและเมลัยต้องปาจิตติอนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยแล้วนะที่หนคือสินสยีที่สวดจบลงสักครู่นี้นี่แหละ นีสิกาบทหนึ่งสุราเมรยาพานปาจิตติยงังอังกุฏิปโตราเกปาจิตติยงังอุทะเกหัสทะเมปาจิตติยงังอนาอริเยปาจิตติยงังอันนี้คือพระปฏิโมกที่พวกเราจบลงสักครู่นี้สุราเมรยาบัชพมาการดื่มสุราและเมลัยมันเมาพอพระองค์ตัดบัญญัติวินัยเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปประทับที่ประทับพระสงฆ์ก็เลยบอก เออการดื่มสุรามันมันเสียหายจริงๆเหตุไหมภาษาคาตาต่ก่อนก็เป็นผู้ที่นับถือเลื่อมใสของคนแต่เนี้มาดไม่ทั้งไม่รู้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ถ้าว่าภาษากาตายังมีสติอยู่เนี่ยถ้าเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วจะเป็นนอนได้อย่างไงนอนอย่างนี้จะต้องลุกแสดง ถวายอภิวาทแสดงความเคารพแต่นี่ภาษากตานี่เฉยเอา่ามันคนเมานะไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักตีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่สมควรอย่างยิ่งสมณะที่จะดื่มสุราอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ยินพระสงฆ์งทั้งหลายนยกำลังสนทนากันพระพุทธองค์ก็เสด็จลงมาน พระองค์บอกว่าเนี่ยการดื่มสุราเนี่ยมันไม่ใช่แต่ยุคนี้สมัยนี้นะเสียหายเน ย, ยุค ก, ก่อนสมัยก่อนก็เคยมีฤาษีสีพรยอยู่ในป่าทั้งที่เคยได้ฌานโลกีมาแล้วพอดื่มเข้าไปกันนี่แหละเสียหายพระสงฆ์เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าสมัยไหนพระเจา้าขาือษีดื่มธุรานะพระพุทธองค์บอกว่า สมัยหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในกรุงพารานสีคล้ายๆว่าเห็นโทษในคารวัตได้ออกบวชอยากออกบวชคือหนีหนีจากคารวาัตถ้าอยู่ต่อไปกับมิตรแกรเจ็บตายควรจะออกไปอยู่ในป่าให้ถาวาเป็นผู้เป็นพราหมณ์โปรหิตตาจานเป็นพราหมณ์ใหญ่เป็นพารหาหมณ์เป็นพรามหามณ์มที่ ปกครองแล้วเป็นความที่มีอํานาจวาสนาะท่านก็เลยหนีออกไปอยู่ในป่าไปตั้งอาสมอยู่ในป่าห่างไกลาจากตัวเมืองจากนั้นบริวารได้ทราบข่าวก็ไปบวชกับท่านบริวารทั้งลือศีทั้ง500ท่านะไปอยู่กับท่านพออยู่ในท่านเสร็จแล้วก็พวกลือศีนี่ยว่าเออพวกผมอยากจะไปทานอาหารอยากไปชันของเค็มเผ็ด ไปฉันเกลือพวกขาดเกลือกับผมพวกผมจะเข้าไปในเมืองอาจารย์ที่เป็นลือสีเออออกไปออกไปได้นะสำรวมระวังนะพวกท่านทั้งหลายไปด้วยความสำรวมระวังนะครับผมอาจารย์ลือสีก็เลยไปแบ่งกันอยู่แบ่งกันไปนะพูดง่ายๆพอเข้าไปอยู่ในเมืองก็อยู่ในช่วงระยะหนึ่งช่วงที่เข้าพรรษานะ กลับออกมาก็กลับยากเพราะมันเป็นมีน้ํำป่านเดินทางลําบากก็เลยอยู่อยู่ในเมืองกรุงพาราณสีอยู่ในอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแระเดินก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสลือศีเหล่านั้นอีกเลยือศีมันก็คงจะหลายร้อยคนอยู่หลายร้อยหลายร้อยลือศีอยู่ในอุทยานจากนั้นก็เป็นช่วงนักกษัตริย์ก็คือเดือน12เพนเนี่ยนะ เดีวนี้เขาก็มีการลเล่นกันในกรุงพาราณสีมีการสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮากันเหมือนกับปีงานปีใหม่แล้วนันพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะถวายอะไรกับพลฤษีก็ถวายน้ำนี่แหละถวายสุราเนี่ยมอบให้กระทุแท้แต่ใครจะกินยังไงกินแล้วไหม่กินก็ได้แต่ชาวบ้านชาวเมืองเขากินกัน ผมยังไม่มีวินยัยยังไม่มีสิทธ์อะไรเนะก็ลือศีเหล่านี้ก็เหตุว่าพระเจ้าแผ่นดินมาเอาให้มากม่อมอบให้ถวายมาเลยต่างคนกับต่างกินกันล่ละลือศีกินเหล้าถึงท่านจะมีชาญโล ก, กีก็เถอะนะกับชาญกับมัเหล้ามันคนนัอย่างกันแน่เลยมันเหล้ามันไปกดสมองนะ่ะแต่ชานมาอยู่ในใจ ชานอยู่ในจิตใจของฤาษีแต่สุราเนี่ยมันไปกดสมองของฤาษีพอกินเข้าไปท่านนะฤาษีทัางหลายร้อยคนอเคยใครไม่เคยออกลายก็ออกลายเนี่ยร้องลาทําเพลงลเรื่องเก่าๆที่ได้เรียนได้ศึกษามาเนี่ยโอ้โหสนุกสนานเลยท่านไอ้พวกที่ล้มลุกคุกคานก็ล้มลุกคุกคานร้องห h o ร้องไห้ก็มีผมไม่เคยเมาฮะสนุกสนานเนี่ย พอเสร็จแล้วพอสลังหายหายเมาลเลยทีโอ้ตายตายตาตพวกเราทำไมทาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของสมมณะเ อ, อ่อถ้าอาจารย์ได้ยินอาจารย์จะคิดว่ายัางไงพวกเราทำอย่างนี้ไม่ถูกละเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะพวกเราห้ามเดือดขาดไม่ให้ดื่มธุราเพราะมันเสียหายเฮมมันม น, น่าดูหมอย่างที่พวกเราผ่านผ่านมาเนี่ยเห็นแล้วไม่น่าดูเลยเสียหายอย่างมาก พวกเราอย่าทําอีกนะตกลงกันใช่เด็ดขาดจากนั้นก็เลยมาอยู่พอมันเดินทางได้ไปกลับมาหาอาจารย์อยู่ในป่าหิมะผ่านมารายงานตัวสารภาพตัวเหมือนโอ้ท่านอาจารย์ผมไปอยู่ในเมืองก็ไม่รู้ว่าเขาเอาน้ํามาให้ดื่มแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ําอันนั้นคือน้ําอะไรพอดื่มเข้าไปแล้วก็เมาเลยท่นนี่ เออออกฤทิ์เป็นคนละทิศคนละทางพวกผมพอหาเมาแล้วก็เห็นโทษในการเมาของปอกกับพวกกับผมตพรนั้นผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานด้วยการจะไม่ดื่มอีกท่านอาจารย์พวกผมขอสารภาพผิดละรู้เท่าไม่ถึงการในการกระทำในข่าวนั้นแต่มองโดยแล้วผิดไม่สมควรอย่างยิ่งครับผม อาจารย์ก็เออเอาเมื่อเรารู้สารภาพแล้วก็หยุดจะถึงยังไงสุราตัวนี้นะ่ะมันไม่ได้ว่ า, าผู้มีชาญมียานพอกินเข้าไปมันเมาได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายรู้โทษมันแล้วแล้วก็หยุด อ, อย่าเข้าไปใกล้มันอย่าไปคิดดื่มมันเอาต่อนี้ไปตั้งใจใหม่ ให้พวกท่านทั้งหลายจเจริญฌานต่อไปนะจากนั้นฤาษีเหล่านั้นก็หันหน้าภาวนาจเจริญฌานจนได้สําเร็จฌานโลกีอีกอย่างเก่าตองน้ำมันเสื่อมนะมันหมดสมาน้ำมันเสื่อมจากนั้นได้ฌานสมาบัติจากนั้นท่านฤาษีเหล่านั้นก็ตายจากฌานท่านไปสู่พรหมโลกทั้งหมดบริวารของฤาษีนั้นได้มาเกิดเป็นภิกษุ เป็นลูกศิษย์ของเราแต่ส่วนหัวหน้าหรือสีนั่นคือเราะถาคตนี่แหละและกระชานรกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะดื่มจะกินอะไรต้องระมัดระวังไม่ใชว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องถ้าพวกเรากินเข้าไปแล้วมันเมามันผิดปกติมันทำให้สมองของเราปั่นป่วนไม่เกิดความเสียหายเราจะไปกินและไปดื่มทำไมยิ่งเราเป็นพระ ทุกวันนี้ยังมีของแปลกปลอมขึ้นมาผมได้ยินนะพระบางกลุ่มบางหมู่บางคณะไปกินยาดองคาว่ายาดองคำนี้น่ะมันใส่อะไรมาเขาไม่รู้กินเข้าไปแล้วก็พระเมาเพอ้อเพอทะเลาะ ก, กันอีกกำลังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้เงพระยาดองพอนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะทุกองนะที่ผมพูดให้ฟังให้สังเกตให้ดูตัวเองพอเราบวชมาเราไม่ได้บวชมาเล่น มันเดิวบวชมาเพื่อการสนุกสนานบวชมาเพื่อบําเพ็ญหามักหาผลเข้าสู่จิตใจของพวกเราไม่ใช่ว่าเราบวชเข้ามาเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่การสนุกสนานความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปเป็นวันๆไม่ใช่อย่างนั้นเหลืองนรกอเอาไจีมันไม่คุ้นเชื่องกับเรานะความชั่วไม่คุ้นไม่คุ้นเชื่องกับเรานะเป็นอริเป็นศัตรูกับเราอยู่ ถ้าทำความชั่วเข้าไปแล้วน่ะความชั่วตัว น, นั้นแหละเหมือนกับไฟพร้อมที่จะไหม้เราพร้อมที่จะซดเราอได้ทุกเวล่ำเวลาเพราะเหตุไรความชั่วไม่เคยคุ้นเชื่องกับเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะพระเนนน้องนุ่งเราทั้งหลายอย่าไปคุ้นเชื่องกับสิ่งความชั่วเสียหายให้ระมัดระวังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ย ยุคนี้สมัยนี้กําลังมีเรื่องอยาดองผมพอเคยได้ยินพอกินเข้าไปแล้วเมาเออยังชอบใจอีกอยาจะกินอีกเออันนั้นแหะสุราเมรยะสุราคือเครื่องดองของเมาเมรยะคือเมลัยคือเครื่องดองหรือสุราเมรยะสุราคือของดองเมลัยก็คือพกของหมัก อย่างน้ำผ ล, ลไม้หมักเป็นเมลายเป็นเบียรสรุปแล้วเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็เมาเหมือนกันดื่มมากแต่เบียจะต้องดื่มมากกว่าเหล้าทานเหล้ามันเข้มข้นขึ้นดื่มไม่มากก็เมาละเพราะมันเข้มข้นแต่เบียเนี่ยมันไม่เข้มข้นเท่าไหร่ดื่มมากหน่อยยังค่อยเมาแต่ถึงยังไงเมื่อมันเมาแล้วก็ให้ผลแบบเดียวกัน ทัญญวะสุราเมรยะมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทภิกษุใดก็าตามดื่มสุราและเมลัยต้องปาจิตติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดให้ฟังข่านี่คล้ายๆเขาว่าความเป็นมาของวิในที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นบัญญัติอย่างไรเนี่ยนี่แหละเป็นชิคขาบทหนึ่งแล้ที่เอานํามาสวดที่นั่นน่ะ ที่พวกเราสวดลงจบลงสักครู่นี้ก็คือสิกขาบทหนึ่งสุราเมระยะมัชับปมาปาจิตยังะสุราปรนวัคสิกขาบทบนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องศิลและวินัยควรจะสำรวมระวังให้ดีปัจันวันนี้ขณะ น, นี้เป็นการสวดพระปฏิโมกเราควรจะปารกเรื่องวินัย ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอาตอนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมกขนัตถีนะ